คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ข้ก่อคุณค่าที่หนึ่งคุณค่าด้านการทาจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระคุณค่าด้านนี้พร้อมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณค่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สําคัญเป็นส่วนคลุมยอดของระบบทั้งหมด ของพระพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างขวางอีกทั้งมีรายละเอียดในการปฏิบัติที่พึงทำความเข้าใจโดยเฉพาะคำพีทั้งหลายจึงกล่าวถึงบ่อยและมากบางคำพีก็นำมาประมวลแสดงเป็นขั้นตอนตามลำดับโดยตลอดดังเช่นคำพีวิสุทธิมรรคเป็นต้นแม้ในหนังสือนี้เองก็ได้บรรยายไว้ทั่วทั่วไปแล้วจึงจะไม่นามากล่าวรวมไว้ในที่นี้ แต่จะพูดไว้พอเป็นแนวสําหรับความเข้าใจอย่างกว้างๆตามปกติผู้เจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์จะพัฒนาความเข้าใจต่อโลกและชีวิตให้เข้มข่มชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิตเป็นขั้นตอนสําคัญสองขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เมื่อเกิดความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และความไม่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลางจะมีความรู้สึกทํานองเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือรู้สึกในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เคยมีมาแต่เดิมก่อนนั้นเคยยึดติดหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นมัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคราวนี้พอมองเห็นไตรลักษณ์เขาแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจอยากจะหนีไปเสียให้พ้น บางทีถึงกับรู้สึกเกลียดกลัวหรือขยะขแขยงนับว่าเป็นขั้นที่ความรู้สึกแรงกว่าความรู้เรียกอย่างภาษาไทยว่าอารมณ์เหนือปัญญาขั้นตอนแรกนี้แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ปัญญายัางไม่สมบูรณ์ด้วยความรู้สึกยังเอ็นเอียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญหรือบางทีถึงกับจำเป็นในการที่จะถอนตนให้หลุดออกไปไดจากความหลงหล ย, ยึดติด ซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังแรงมากเพื่อจะสามารถก้าวต่อไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่สองต่อไปในทางตรงข้ามถ้าหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ผลเสียจากความรู้สึกที่เอ็นเอียงก็จะเกิดขึ้นได้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิตขั้นตอนที่สองเมื่อความรู้เท่าทันนั้นพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาจเจริญเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์ เรียกว่ารู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริงความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจและอยากจะหนีให้พ้นไปเสียนั้นก็จะหายไปกลับรู้สึกเป็นกลางทั้งไม่หลงไหลทั้งไม่หน่ายแสแยงไม่ติดใจแต่ก็ไม่รังเกียจไม่พัวพันแต่ก็ไม่เหม็นเบือ่อมีแต่ความรู้ชัดตามที่มันเป็นและความรู้สึกโปร่งโล่งเป็นอิสระ พร้อมด้วยท่าทีของการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆไปตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุปัจจัยพัฒนาการทางจิตปัญญาในขั้นตอนที่สองนี้ในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนาท่านเรียกว่าสังขารรูปเอขาญาณญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจาเป็นในการที่จะเข้าถึงความรู้ประจักษ์แจ้งสัจจะ และความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ์คุณค่าด้านความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตนี้โดยเฉพาะในระดับที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วถึงขั้นตอนที่สองจะมีลักษณะและผลข้างเคียงที่สําคัญสองประการคือหนึ่งความปลอดทุกคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นต่างๆมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยอามิ t หรือไม่ขึ้นต่อสิ่งล่อ ปลอดโปรง่งผ่องใสสดชื่นเบิกบานไร้กังวลไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เหี่ยวแห้งไปตามความผันผว น, ผนรวนแปรขึ้นขึ้นลงลงที่เรียกว่าโล ก, กรธรรมไม่ถูกกระทบกระแทกเนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพัดพรากกันตนลักษณะข้อนี้มีผลไปถึงจริยธรรมด้วย ในแง่ที่จะไม่ก่อปัญหาเนื่องจากการระบายทุกของตนแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของปัญหาจริยธรรมและในแง่ที่มีสภาพจิตใจซึ่งง่ายต่อการเกิดขึ้นของคุณธรรมโดยเฉพาะเมตตาการุณาความมีไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่จริยธรรมเป็นอันมากลักษณะและผลข้างเคียงของความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิต ในระดับที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วประการที่สองคือความปลอดกิเลสคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจบีบคั้นครอบงำและวงการของกิเลสทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความติดใคร้ชอบชังความหลงความริษยาและความถือตัวถืออำนาจเป็นต้นโปรง่งโลง่งเป็นอิสระสงบและบริสุทธิ์ลักษณะข้อนี้มีผลโดยตรงต่อจริยธรรม ทั้งด้านภายในที่จะคิดการหรือใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์เป็นอิสระไม่เอน็นเอียงไปด้วยความชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้นและด้านภายนอกที่จะไม่ทำความผิดชั่วต่างๆตามอำนาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอย่างตลอดจนสามารถทำการต่างๆที่ดีงามตามเหตุผลได้อย่างจริงจังเต็มที่เพราะไม่มีกิเลสเช่นความเกียดคร้านความห่วงผลประโยชน์เป็นต้นมมคอย้ดถ่วงหรือดึงให้พวักพวน อย่างไรก็ดีคุณค่าข้อที่หนึ่งคือคุณค่าด้านการทําจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระนี้ในขั้นที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนายังไม่สมบูรณ์สิ้นเชิงถ้ามีแต่ลำพังอย่างเดียวก็มีช่องทางเสียคืออาจก่อให้เกิดโทษได้ตามหลักที่ว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลได้กล่าวคือเมื่อทาจิตได้แล้วใจสบาย มีความสุขแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินอยู่กับความสุขทางจิตใจเสียหรือพอใจในผลสําเร็จทางจิตนั้นและหยุดความเพียรพยายามเสียหรือปล่อยปละละเลยไม่เร่งทํากิจที่ควรทําไม่จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่เรียกว่าตกอยู่ในความประมาทดังตัวอย่างในพุทธพจน์จากนันทิยสูตรสังยุตติกายมหาวาระรที่ว่านันทิยะ อย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับอริยสาวกนั้นพอใจหรืออิ่มพอหรือสันโดษ ด, ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับเหล่านั้นย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหลนันทยะอริยะสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาททางออกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียที่กล่าวถึงนี้ก็คือจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะให้เกิดคุณค่าข้อที่สองคุณค่าด้านการทากิจ หรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วย